ผู้ที่สนทนาทำตามการนั้นได้อานิสงฆ์ห้ประการนี้หนึ่งเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของพระศาสดาสองย่อมเข้าใจเนื้อความของธรรมะนั้นๆสมย่อมแทงตลอดเนื้อความอันลึกซึ้งด้วยปัญญาสี่ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากเพื่อนพรหมจรรย์ห้าย่อมปารบความเพียรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่แจ้งทีนี้โดยเฉพาะประการที่สี่เนี่ยว่า ย่อมปารบความเพียรเนี่ยปารอบความเพียรเ พ, ยเพื่อที่ทำให้แจ้งในการกำหนดรอบรู้ทุกขสัตว์ด้วยการกำหนดรู้แล้วก็ละสมุสมุทยายสัจจะด้วยการละทำให้แจ้งซึ่งนิโรทัสัจจะด้วยการทำให้แจ้งแล้วก็เจริญอริยมรตมีองแ์ดด้วยการอบรมด้วยการทำให้เจริญขึ้นผู้ที่จบกิพจพรหมจรรย์แล้วย่อมประกอบเป็นธรรมเครื่องอยู่ปัจจุบันก็คือ เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเข้าฌานสมาบัติฉะนั้นอานิสงส์แห่งการสนทนาทำตามการเนี่ยนะพระศาสดาสรเสริญด้วยนะพระพุทธเจ้าสรเสริญและเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการเข้าใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วเมื่อสนทนาทำมากันบ่อยๆเนี่ยสติปัญญาก็จะดีก็จะเท็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการแทงตลอดได้เพื่อนพรมอาจารย์ก็สรเสริญและเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการแทงตลอดอริยสัจได้อีกด้วย เชิงคาถาท่างบอกว่าสนทนาธรรมตามการเนี่ยเป็นมงคลการเวลาที่ควรสนทนาธรรมเนะี่ยหมายถึงเวลาที่มีเรื่องสนทนาเขาท่านไม่ได้กําหนดไว้ตายตัวเนียท่านยกตัวอย่างเวลาที่ควรสนทนาคือเวลาที่จิตทดถูฟุ้งสั้นและสงสัยในอัดในธรรมนั้นเวลาเราสนทนาอยู่ในอาการทางใจเหล่านี้ก็จะหมดไป อ, อย่างนี้เป็นต้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่า พิสูจทั้งหลายการ4อย่างนี้เมื่อใครอบรมบ่มนิสัยปรับปรุงตนให้ดีขึ้นก็จะทําให้เขาบรรลุถึงความสิ้นกิเลสและสิ้นจากอาสวะโดยลําดับการ4ี่การก็คือฟังทำตามการสนทนาทำตามการเจริญสมถะอบรมใจให้สงบตามการเจริญวิปัสสนาฟอกใจให้รู้เห็นจริงให้รู้แจ้งตามการทั้ง4ี่อย่างเนี้เมื่อใครอบรมบ่มนิสัยปรับปรุงตนให้ดีขึ้นจะทําให้เข้าถึงความบรรลุ หมดสิ้นจากอาสวะกิเลสเป็นไปตามลําดับนะเห็นไหมบอกว่าฟังธทำตามการสนทนาธรรมตามการและเจริญสมถะตามการเจริญนิพพานาตามการถ้าอบรมบ่มนิสัยได้อย่างนี้นะในที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดได้การสนทนาทำเป็นวิธีการยกใจออกจากความไม่รู้เข้าไปสู่ความเป็นผู้รู้คือความฉลาดท่านก็ตรัสบอกว่า การที่เราจะทำภูมิจิตใจของเราให้สูงขึ้นพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหตุให้บุคคลฉลาดเฉียบแหลมในความเจริญและความเสื่อมและเป็นอุบายเอาตัวรอดได้จากเหตุการณ์และอารมณ์ร้ายต่างๆผลของการสนทนาทมตามการก็คือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้คำสั่งสอนเป็นการทบทวนความรู้เดิมกำจัดความสงสัยลังเลใจจากการทาความดี ทำลายความเห็นผิดได้แล้วก็เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการสนทนาทําตามการจัดว่าเป็นมงคลนี่เป็นอย่างประการต่อไปก็คือตบะหรือตะโปเนี่ยนะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสแล้วก็พระมจริยังคือพรหมบัญญัตอริยสัจนะทัศนัการเห็นอริยสัจนิพพานะสัจกิริยาการกระทําพันนิพพานให้แจ้ง ในข้อแรกก็คือว่าตะโปได้แก่ตาบะตาบะในที่นี้ท่านแปลว่าความเพียรเผาบาปความเพียนเผากิเลสให้เล่าร้อนนี่เนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรชื่อว่าความเพี้ยนือชื่อว่าตาบะเพราะเผาอาพิชชาและโทมนัตวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยเรียกว่าตาบะนีเออเรียกว่าตาบะทําไมจึงเรียกว่าตบะเพราะเผาโกสัชะโกสัชะเนี่ยก็แปลว่าอะไรเขแปลว่าความเกียรติท่าน โอสัจชาเ น, นะความเพียรเนี่ยเป็นตัวเผาความเกียจค้านนะถ้าเราบอกว่าเออทาไมเราจึงเกียจค้านเหลือเกินเนี่ยนะรู้เลยว่าไม่มีตะบะคือไม่มีความเพียร น, นั่นเองเมื่อไม่มีความเพียรเนี่ยมันก็จะไม่กระเตื้องใจมันก็จะหดหูท้อถอยเนี่ยนะไม่ขยันความเพียร น, นั้นชื่อว่าอาตาปีผู้มีตะบะตะบะนี้จัดเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ละอภิชา แล้วก็เป็นเหตุให้ได้ฌานได้ตบา ค, คือคุณธรรมเผาบาปเมื่อเราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วย่อมมีเดชเผาความชั่วในตัวเราให้หมดไปและมีอํานาจความคุ้มครองให้เราสงบสุขและความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นสองโลกวะเงี้ยน่งตบาในทางพระศาสนาเนี่ยนี่ยข้าหมายถึงว่าทําให้เร่าร้อนก็คือเป็นตัวเผานั่นเองทีนี้การปฏิบัติที่เรียกว่าบำเพ็ญตบาหมายถึงข้อปฏิบัติ ที่ฝึกฝนการขับไล่กิเลสเนี่ยนะบอกว่าลักษณะแห่งตะบะที่เขาบอกว่าการขัดเกลวเนี่ยเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทําความดีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเพียรสี่สถานะเนี่ยเป็นเดชเผาความเกียดติค้าและความชั่วอื่นๆในสิ้นเชิงพะลุงพะยงใจ ให้สามารถสร้างสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้ที่นี้เราก็มาศึกษาดูบอกว่าความเพียรในที่นั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรี์สังวรได้แก่การมีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ตกไปในความยินดีความยินร้ายกล่าว ค, คือก็คือว่าละอภิชาและโทมานั้นฉะนั้นในเมื่ออารมณ์กล่าวคือรูปอารมณ์สต า, าร์ลมเป็นต้นเหล่านี้นะรูปรูปมาปรากฏทางตาเสียงมาปรากฏทางหูกลิ่นมาปรากฏทางจมูก รสมาปรากฏทางลิ้นสัมผัสมาปรากฏทางกายแล้วก็ทำ ม, มาลมมาปรากฏที่ใจเนี่ยเหล่านี้ถ้าหากว่าใจนั้นเป็นไปกับสติและลึกอยู่ในลักษณะของรูปหรือลักษณะของนามที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นส่วนวิรยิยะความเพียรที่จะจัดเป็นตบ่านนั้นหมายความว่าความเพียรที่เป็นกุศล น, นั้นเองเพราะว่าความเพียรที่เป็นบุญเนี่ยสามารถที่จะละบาปถ้าความเพียรที่เป็นอกุศลอย่างนั้นไม่เรียกว่าตบ่า เพราะว่าไม่อาจที่จะละอกุศลแต่ความเพียรที่จัดว่าเป็นตบ่าในที่นี้ต้องเป็นความเพียรที่เป็นกุศลถึงจะสามารถละบาปได้จึงชื่อว่าตะบา่าฉะนั้นจัดว่าเป็นมงคลในข้อนี้ท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าคนที่ไม่สำรวมอินทรียเนี่ยบางแห่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อุปมาอุปมาไว้บอกว่าเออบางทีชี้ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นเต่าเต่าเนี่ยมันมีอวัยวะหกทาง ขาหางแล้วก็หัวก็เป็นหกใช่ไหมทีนี้เวลาหมาป่าหรือสัตว์ร้ายทั้งหลายเนี่ยมันวิ่งมามันจะมาจัดการกระเตามันก็หดเข้ามาหมาป่าเนี่ยหมดทุนทางเลยงัดพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยไม่จัดการได้ไม่สามารถจะฆ่าเต่าได้พระพุทธเจ้าก็ชี้ให้ดูว่ า, วาขนาดสัตว์ดิบฉาญก็คือเต่าเนี่ยยังรู้จักที่จะหดอวัยวะหลีกหนีภัย ลายต่างๆพวกเธอเนี่ยนะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอารมณ์ที่มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่หดกับหดในที่นั้นเป็นชื่อของการต้องมีสตินีคอยตามกำกับทั้งทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ mm hmm. ก็แปลว่าไม่ให้สัตว์ร้ายกล่าวคืออกุศลธรรธมะ ล, ลามกม า, ม า, มา ไ, ดได้ช่อง mm hmm. ก็ยกให้ใ ห, ให้ให้พระได้ดูที่อีกอย่างหนึ่งท่านกระจัดบอกว่า ผู้ที่ไม่สำรวมมินรีเนี่ยก็เป็นเหตุให้กุศลเสื่อมท่านก็ยกเรื่องบอกว่ามีสัมมาเนยอยู่รูปหนึ่งได้ฌานสัมมาเนยรูปนี้ได้ฌานแล้วก็ห่อไปบินนบาตในยุคนั้นการห่อนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะวันหนึ่งก็มาลงที่บ้านของนายช่างหูเนนรูปนี้เนี่ยห่อมาบินบาตก็เห็นลูกสาวของนายช่างหูมีรูปสวยงามเนี่ยนะนี่สัมมาเนนไม่ได้ระวังจักรสุไม่ระวังตาเนี่ย มองด้วยความกำหนัดด้วยความยินดีด้วยความเพื่อเพื่อพอมองอย่างนั้นการมราคะก็เกิดขึ้นดีใจพอเกิดขึ้นดีใจแล้วชานก็เสื่อมสมมาเนนก็ไม่อาจที่จะเหาะกลับไปได้เดินกับอนิโทษก็ในหนังสืออะไรอยู่เล่มหนึ่งเขาเอาเรื่องนี้มามาม า, ม า, ม, ามาผูกเป็นก้อนก็ว่าแค่บอกที่วัลฤุศีเหาะมาแล้วก็มาเกิดราคะชานก็เสื่อม พอชานเสื่อมเบ็ดเสร็จแล้วขากลับก็ตอเดินขามาแมมาอย่างผู้ยิ่งใหญ่เลยช้ำใจตั้งแต่นั้นมาไม่ออกมาปลายเลยว่าไม่ออกจากปลากเลยบอกโอ้กลัวเลยมาในบ้านนี่มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยว่างั้นนยแม้ตนเองอุตสาบอุ่าห์บเพ็ญเพียรมากกว่าจะได้ชานสมาบัติใช่ไหมแมมมาเจออะไรก็ไม่รู้เดินกลับลำบากเลยฉะนั้นความเพียรเนี่ยนะ อินทรยสังวรความสำรวมตาหูจมูกรีนกายใจวิริยะคือความเพียรเป็นคุณธรรมเผาบาปประรรมทั้งหลายทั้งทางกายทางวาจาและทางใจก็ เ, เรียกวัตบะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคล น, นันสูงสุดในบรรดามงคลต่างๆเหล่านั้นจึงจัดวัตโตเนี่ยเป็นมงคลนันสูงสุดตบะนี่เองนี่เป็นอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าพรหมจรยังหรือการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะ พรหมาจารีตามอักษรก็แปลว่าความประพฤติที่ประเสริฐพรหมจาร์เนี่ยท่านจําแนกไว้10ประการนะเออพรหมจารีเนี่ยมีอยู่10ประการใน10ประการก็คือ1ทานการให้วัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนี่ก็จัดว่าพรหมจาร์ประการที่2คือวิ ย, ยาวัจจ์การช่วยเหลือเผื่อแผ่ในกิจการที่ชอบข้อที่3ามเบญจศีลได้แก่ศีลหประการการงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเหล่านี้ ประการที่4ี่อปมัญญาคุณธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาเวขาเนี่ยเนะี่ยแผ่ไปโดยไม่จำกัดหาประมาณมิได้ประการที่5เมถุนวิรตชการงดเว้นจากการเสพกามคือกเว้นจากกรรมคุณประการที่6สตาลสันโดดความพอใจในคู่ของตนการไม่นอกใจอันนี้ก็จะ า, าเป็นมิอาจารย์นนะยินดีเฉพาะในคู่ของตนเอง ประการที่7วิริยะความเพียรพยายามในการประกอบการงานและการปฏิบัติธรรมประการที่8อุโบโสถอันประกอบด้วยองค์8เป็นการฝึกฝนตนเองเนี่ยนะประการที่9อริยมรตมีองค์แปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมาสัมมาสติมมสัมมาสมาธิอันนี้กระจายว่าเป็นพรหมจรรย์ก็เรียกมรคพรหมจรรย์ประการที่10าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอน ฉะนั้นในสิบประการนี้ท่านกล่าวโดยอัตถกถาสามัญผลยสูตรและอิทธิวุธกะส่วนในอัตถกถามหาศีอานาทสูตรท่านกล่าวพรหมจันทร์ไว้สิบอย่างโดยเพิ่มเทศนาและอัจฉาสัยเข้าด้วยก็คือเทศนานะธรรมเทศนาการแสดงธรรมท่านกระเจาว่าเป็นพรหมจันทร์อัจฉาสัยคือความประพฤติทางใจเนี่ยหรือความหยาบความปราณีแทงใจมีเป็นอย่างงี้โดยสรุปก็คือดังที่ได้กล่าวว่าพรหมจันทร์เนี่ยนะ หมายถึงการงดเว้นจากเมถุนธรรมก็ได้สมณธรรมศาสนาและคําสอนของพุทธเจ้ามรรคเาเรียกประพฤติพรหมจรรย์ฉะนัน้นคําว่าพรหมจรรย์หมายถึงการเว้นจากเมถุนในที่นี้นะฉะนั้นเมถุนเวรัสจึงชื่อว่าพรหมจรรย์สมณธรรมก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ดังที่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเราประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นคํากล่าวของท่านภาษาริบุตรเราประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็คือประพฤติธรรมอันนั้นเขาเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ส่วนที่ว่าศาสนาชื่อว่าพรหมจรรย์นั้นมาในมหาปรินิพานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานหากพรหมจรรย์นี้ของเรายังไม่แพร่หลายกว้างขวางยังไม่รู้จักกันมากตราบใดเราจักยังไม่ปรินิพานตราบนั้นนี้เป็นคำำําดํำรัสของพระผู้มีภาคเจ้าที่ตรัสแก่มานฉะนั้นศาสนานั้นเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญานเนี่ยเนี ถ้ายังไม่แพร่หลายยังไม่กว้างขวางยังไม่รู้จักกันมากเนะี่ยพระพุทธเจ้าจากไม่บรินิพพานฉะนั้นคําว่าพรหมจรรย์นในที่นี้เป็นชื่อของศาสนาส่วนมรรคที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์ฉะนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นการเจริญอริยมรรคก็จัดว่าเป็นพรหมจรรย์ น, นี่ยการให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าผ่อนท่าสบายเป็นต้นอันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์ ว ย, ยาวั จ, จการช่วยเหลือกิจการเป็นกุศลด้วยความเต็มใจอันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์ศีล่การเมฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นพรหมจรรย์อัปมัญญาสีเมตากรุณาปุถิตาเบขาก็เป็นพรหมจรรย์เมถุนวิรัติการมเมตเศพเมถุนอันนั้นก็เป็นพรหมจรรย์สตารสันโดษความยินดีเฉพาะในคู่คร อ, องของตนก็เป็นพรหมจรรย์วิริยะความเพียรในการทำกุศลอุโบสถศีนที่ประกอบด้วยองค์8 อาริยามากมีองค์8ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ว่าจัดว่าเป็นพรหมจันทร์ทั้ง10ประการนี้เรียกว่าพรหมจันทร์เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐจัดว่าเป็นมงคลคือเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและได้รับคุณวิเศษนานาประการนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องไปเข้าใจนะว่านี่พรหมจันทร์เป็นอย่างนี้นี่ท่านก็มาแยกนะในพรหมจันทร์เนี่ยท่านก็แยกเป็นพรหมจันทร์ชั้นต่ำพรหมจัรย์ชั้นกลางพรหมจันทร์ชั้นสูง วยาวจจะทานวยาว จ, จะการช่วยเหลือด้วยอัธยาศัยไมยตรีการรักษาเบญจศีลอันนี้เป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำเรามีป่ะให้ทานใช่ไหมศีลห้าช่วยเหลือสงเคาะประโยชน์ต่งางๆแสดงว่าเราก็ประพฤติพรหมจรรย์สมบูรณ์ัหมกระท่อนกระแท่นหรือสมบูรณ์เ <c oughs> ลย ก, ก, ก็ที่ก็ทอันนี้เอาชั้นต่ำนะ ถ้าชั้นที่ชั้นกลางก็คือว่าพรหมาจารย์ชั้นกลางได้แก่การเจริญอภัยมรญยาทั้งสี่เจริญเมตตากรุณามุทิตาเวขาแก่บุคคลและสัตว์ทั่วไปไม่จํากัดเจริญอยู่เป็นนิดนึงแล้วก็สาธาลสันโดดยินดีในคู่ครองของตนและเมถุนิรัตงดเว้นจากการเสพกรรมแล้วก็บรรพันธ์และเครือขัดผู้ถือบุตรอันนี้เป็นชั้นกลางถ้าชั้นกลางก็คือกลุ่มที่เจริญพรหมวิหารถ้าเราเจริญเราก็ได้ สำคัญว่าชั้นต่ําก็ได้นิดนึงชั้นกลางก็ได้นิดนึง่งเลยไม่รู้จัดว่าต่ําหรือกลางเลยนได้อย่างละนิดละนิดยังไม่ค่อยดีถ้าอย่างนี้ยังไม่ค่อยดีถ้าชั้นสูงได้แก่วิริยะองค์อุโบสถอริยมักาศาสนาสมณธรรมก็แปลว่าความเพียนเผากิเลสการเจริญมักแปดคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลเนี่ยนะ สรุปแล้วก็คือสมานาธรรมมถทและวิปัสสนาอันเป็นข้อปฏิบัตินําผู้บำเพ็ญเนี่ยให้เข้าถึงมงคลอันสูงสุดนะนะฉะนั้นการประพฤติพรหมาจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุกําจัดกิเลสให้ขาดจากใจสันดานโดยไม่เหลือนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติพรหมาจรรย์ก็คือว่าเราก็มาตรวจสอบว่าในสิประการเหล่านั้นเราก็ได้เจริญทั้งชั้นต่ําชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การที่ จะได้บรรลุคุณวิเศษนาะนาปการแล้วก็เป็นอุดมมงคลชื่อว่าเป็นมงคลในศาสนาเป็นต้นเหล่านี้ด้วยอมงคลข้อที่สาอริยสัจแตจาณะดัชนีการเห็นอริยสัจการเห็นอริยสัจความหมายของคําว่าอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจสี่อริยสัจหมายถึงความจริงเงินประเสริฐอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐ ที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นอริยาศาสตร์คือของจริงของพระอริยะเป็นหลักวิชาที่พระอริยะค้นพบไม่ใช่ค้นพบโดยบุรุชนเนอะอริยาศาสตร์ก็คือของจริงชั้นสูงสุดยอดเนี่ยเนะเหนือของจริงสา ม, มัญธรรมดาชื่อว่าอริยาศาสตร์เพราะเป็นของจริงให้สําเร็จเป็นพระอริยะเ อ, อคนจะสําเร็จเป็นพระอริยะได้ก็จะต้องรู้จักอริยาศาสตร์ใช่ไหม อริยสัจอริยสัจยานะัชนีการเห็นอริยสัจฉะนั้นการเห็นอริยสัจเนี่ยคือเห็นแจ้งแทงตลอดทุกด้วยการกําหนดรู้แทงตลอดสมูทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งแทนตลอดอริยมรรคด้วยการอบรมด้วยการเจริญเป็นการเห็นแจ้งที่เกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคทั้ง8มาประชุมพร้อมกัน เป็นมรคสมังคีทำลายกิเลสให้ขาดจากสันดานแล้วก็ก้าวล่วงสังสารวัฏเสียได้อันนั้นจัดว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมนี่เนะทีนี้การที่จะเห็นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยอริยสัจเนี่ ย, ย, เ, ยเป็นหลักปฏิบัติว่าได้วิธีการทําตนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองทุกข์หากจะนับว่าอริยสัจเนี่ยคนศึกษาบอกว่าผู้ค้นพบอริยสัจวิธีค้นพบและสาระของอริยสัจ การค้นพบอริยสัจเกิดจากการเสียสละของพระผู้มีพรภาคเจ้าที่สั่งสมอบรมบารมีมาตามลําดับแล้วก็สามารถเปิดเผยความจริงได้วิธีค้นพบของาศาสดาต่างๆโดยเฉพาะถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบด้วยการสั่งสมอบรมบารมีนี่ยสาระสําคัญของอริยสัจเนี่ยจะผิดแผกจากาศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าสอนทุกสมุทัยนิโรธมัง้งนะว่าทุกเนี่ย มีชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกโทมนานะสะและอุบายาเป็นต้นลักษณะบอกว่าโสกะเสียใจปริเทวะความบ่นเพ้อเนี่ยนืทุกขะความทุกกายความเก็บไข้เป็นต้นโทมนัะก็คือทุกทางใจอุบายาความคับแค้นใจอปิยะสัมเโยคะประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักปิยะวิเบโยฆะก็พลัดพากจากสิ่งที่น่ารัก แล้วก็ไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วสรุปก็คือว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยสัจก็คือความเกิดความแก่ความตายเนี่ยเยส่วนสมุทยนะัยในเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็จัดว่า3ประการนีการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันห า, หานิโรธความดับทุกข์อันนี้ก็ได้แก่นิพานความหมดจากกิเลสเนี่ย เ, ยเยความดับทุกข์ความพ้นจากส่วนมรรคนั้นน่ะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ อันนั้นก็ได้แก่ข้อปฏิบัติก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นฉะนั้นการเห็นอริยสัจก็คือการเห็นทุกโดยการกาหนดรู้การเห็นสมุทัยด้วยการละนิโรธก็คือการทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ด้วยการเจริญทีนี้การที่บอกว่าการศึกษาในอริยสัจเนี่ยที่จัดว่าเป็นมงคลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้ให้ละเอียด ท้าไม่ถไมศึกษาในอริยสัจให้ละเอียดเนี่ยก็มองไม่ออกว่าไอ้ตัวทุกขสัตเนี่ยมันได้แก่อะไรตัวทุกขสัตเนี่ยนะเขาเรียกว่าโทษก็ได้เรียกว่าทุกขสัจก็ได้ทุกขสัตเนี่ยเนี่ยก็คือเตภูมิกระทามที่เว้นตัณหาจัดเป็นโทษเพราะมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตนตัวทุกขสัตเนี่ยคือเตภูมิกระทามทำที่เป็นไปก็สังขาร คือสังขารที่เป็นไปในภูมิสามเป็นฝ่ายโลกิยาตัวทุกขสัตว์เนี่ยนะถ้ามองดูตัวทุกขสัตว์เนี่ยได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปในไหนที่เป็นไปในสังสารวัฏอันนั้นจัดว่าเป็นทุกขสัตว์รูปเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นไปในภูมิต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นจัดเป็นทุกข์ที่จัดว่าเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปกับความไม่เที่ยงเป็นต้น ตรงนั้นนั่นแหละท่านจึงจัดว่าเป็นเป็นทุกข์ทีนี้ว่าโทษทําไมการแสดงอริยสัจเนี่ยนะคำว่าทุกขสัจเนี่ยออริยสัจ4ี่คือความจริงเงินประเสริฐหมายถึงไม่แปลปรวนโดยสภาวะของตนของต น, งตนกล่าวคือว่าถ้าทุกข์เนี่ยมันมีสภาพบีบคั้นเนี่ยมันก็บีบคั้นจริงๆเช่นทุกข์คือการเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติความพลัดพราวต่าง ๆ, ๆเนี่ยมันบีบคั้นไง อันนี้เขาเรียกว่าทุกข์ส่วนสมุทัยสัจจะจะเป็นมูลเหตุของทุกข์สัิย์ก็แปลว่าเออที่เราได้รับสภาพของความถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเหล่าเนี้ยเอออันนี้มันอะไรบอกว่าเป็นสภาพของทุกข์เขาต้องบอกว่ารูปนามเนี่ยนะขันห้าเนี่ยสังขารรูปนามทั้งหมดซึ่งมีสภาพที่น่ากลัวบีบคั้นด้วยความเกิดลื่นและความดับฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ยังเห็นทุกข์ในใจลักย่อมรู้สึกว่า รูปน้ำเนี่ยเป็นของน่ากลัวไม่น่ายินดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องอะไรหรอกถ้าเราไปเอาแค่ว่าไปวิจัยบอกว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับตังผือเป็นต้นตามลำดับนี่นะอย่างที่ในกายยกาษสติ ท, ที่ที่ให้ไปเนี่ยถ้าไม่แจกแจงมาแยกดูตามลำดับเนี่ยโอ้โหมันเห็นดันดีแล้วน่ากลัวแล้วมันจะบีบคั้นดันดีเลยบอกว่า โอ้โห oh, oh, เราหลงชื่นชมมาตั้งนานเนี่ยเออมันเป็นทุกข์แท้ๆว่ะเนี่ยนี่ั้นถ้าหากว่ายัางเห็นทุกข์ในใจรักณย่อมรู้สึกว่ารูปนามเนี่ยเป็นของที่น่ากลัวไม่น่ายินดีรู้สึกถึงสภาพบีบคั้นของรูปนามสภาพที่น่ากลัวและสภาพที่ถูกบีบคั้งอธิะกะถาท่านนึกบอกว่าทุกข์ขาดเถนะก็แปลว่าโดยสภาพที่น่ากลัวหรือว่าถูกบีบคั้นหนึ่งๆกลัวถูกบีบคั้น สภาพที่บีบคั้นเนี่ยนะพระธรรมบอกว่าทุกในอริยสัตว์เนี่ยนอกจากบีบคั้นแล้วยังเป็นสภาพที่ว่างเปล่าอันหน้ารังเกียจ ด, ด้วยอุปาทานกาหนห้าคืสิ่งที่ไม่มีแก่นสารและก็หน้ารังเกียจคามันไม่มีแก่นสารเนอแก่นสารของความงามมีไหมแก่นสารของความเที่ยงแก่นสารของความสุขแก่นสารของความเป็นตัวเป็นตนที่เราจะคอนโทรลและบังคับบัญชาเนี่ยมันไม่มี ไอ้ตรงนี้นี่แหละเขาจึงมองว่ามันเป็นสภาพที่เป็นของจริงแล้วมันว่างเปล่าแล้วน่ากลัวน่ากเกลียดมันไม่ได้มีจุดใดที่จะงามเลยคนดูตั้งแต่ผมถึงเล็บนะฮะตั้งแต่ศีษะยันเท้าเนี่ยไม่มีเพชรนินจินดาอยู่ในนั้นเลยว่าเราไปหาที่อื่นมันยังพบเพชรนินจินดาบ้างใช่ไหมแต่ในการรัชกายที่ยาววานหนาคืบเนี่ยนะหาไม่เจอเลยว่ามันฉะนั้นมันจึงเป็นทุกอย่างนี้ อันนี้ก็มาวิจัยในยนี้เป็นทุกข์สัตย์โทษวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะมองอยังไงเห็นเป็นโทษเนี่ยมองอยังไงเป็นอาธีนะว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเขาแปลว่าเสว่างเปล่าแล้วก็น่ารังเกียจสิ่งที่ไม่มีแก่นสารนี่เป็นอย่างนี้นิพการต่อมาก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมาจักว่าอุปาทานกันห้านี้ คืออริยาาสัจสี่ที่เป็นทุกอันยอดเยี่ยมณป่ายสิปัตนามฤคธายาวันใกล้เมืองปราณาสีเป็นธรรมที่สมณะพราหม์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้ธรรมจักเนี่ยก็แปลว่ากงล้อธรรมหมายถึงโพธิปัจกียธรรมสติปฐานสสัมมาปทานสอิที่บาสีสี่ห้าพลังห้าพ่อชงอริยามรรคมีองแปดธรรมเหล่านี้จำแนกออกมาเป็นอริยสัจสีตามสมควรไม่ถูกคัดค้านโดยสมณนะ นักบวชนอกศาสนาคือใครมาค้านไม่ได้ฉะนั้นอุปาทานขันหคืออริยสัจที่จัดว่าเป็นทุกข์ ร, รมที่อยู่ในภูมิทั้งสามเว้นตัณหาเอาไปเสียเนี่ยรูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวเขาเองเนะี่ยเป็นชาติที่ทุกข์เพราะการเกิดประมาก็คือบอกว่าแลวทุกข์เหล่านี้ใช่ไหมเราบอกว่าเตภูมิกระทำทำที่เป็นไป ทำที่เป็นไปในภูมิทั้งสาคือการมาภูมิรู ป, ปรภูมิอารู ป, ป์ภูมิอันนี้เป็นทุก์เว้นตัณหาเานะี่ยเว้นการมมตัณหาเพวตัณหาวิภวตัณหาอ่าทำไมต้องเว้นตัณหาตัณหาจัดเป็นสมุทัยสัจจะเป็นเหตุของทุกตัณหาเป็นสมุทัยสัจจ์พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิสูจน์ทั้งหลายเราได้แสดงธรรมจากว่าตัณหานี้คืออริยสัจที่เป็นเหตุเกิ ด, กดแห่งทุก อันยอดเยี่ยมณนะป่ายศิปัตนาเมริกธ า, ายวันใกล้เมืองปาราณสีเราได้แสดงธรรมจากบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์คือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยนี่เป็นเหตุของทุ ก, กขก์เออตัณหานี่เป็นแดนเกิดเป็นตัวประมวลมาประมวลอะไรมาประมวลทุกข์มาให้เห็น ไ, ไหมตัณหาเขาประมวลอะไรมาให้ตัณหานี้คืออริยสัจที่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ หมายความว่าตัณหานี้จําแนกเป็นกา r m a ตัณหาความเพลิดเพลินในกา r m a คุณภาวะตัณหาความเพลิดเพลินที่ประกอบด้วยสัสตตตถิฐิและวิภาวะตัณหาความเพลิดเพลินที่ประกอบด้วยอุเฉททิฐิเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เพราะเป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์สิบเอ็ดอย่างมีชาติทุกข์เป็นต้นทุกข์ทั้งหมดมีกี่อย่างมีสิบเอ็ดใช่ไหมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไห ความวิบัติพัดพลากแล้วก็เป็นต้นอ่นเนี่ยชาติชลามราณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนาสและอุปาญาตรวมเป็น11เนี่ยทุกทั้ง11เนี่ยมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหาเขาประมวลมาให้เขาเรียกตัณหาเขามอบให้เออถ้ามีคนเขาถามบอกว่าไอ้ทุกเนี่ยใครเป็นผู้มอบแล้วก็บอกตัณหาหมอบเอะคุณไปรับมอบมาตั้งแต่เมือ่อไหร่บอกรรับมอบในขณะปฏิสนธิ ่รับมอบทุกมามันเหมือนว่าเราเนี่ยไอ้ตั้หาบอกว่าเออนี่คือรางวัลนะเราจะมอบให้ท่านมอบตามาให้หูจมูกลิ้นกายใจมอบขนผมเล็บฟันหนังเนื้อมาให้มอบผมมาให้ที่แรกเราก็น่าดีใจใช่ไมบอโอ้ยุ่งยากมากต้องมาดูแลแทบตายเลยนะผมเนี่ยแต่ไมจ้างมอบขนมอบเล็บมอบฟันมอบหนังมอบเนื้อมอบเอ็นมอบกระดูกเนี่ยตัหามอบให้ น่าชื่นใจไหแล้วก็มอบให้ใช่ไหมเรารับมอบมาแล้วลแวต่นี้โอ้โหต้องดูแลสิแต่นี้นี่แหละเพราะว่าเราเราเราไปรับมอบจากเขาเขาเอยากไปรับใบประกาศมาพอรับมาแล้วก็โอ้โหถ้ารับมาเพียงอาการสามสิบสองของตนเองเนี่ยนะก็พราะว่าถ้าไปรับมอบทุกเยอะๆมาเนี่ยโอ้แต่นี้ยบริหารใหญ่เลยแตน่นี้เนี่ยรับมอบทุกแล้วยังถูกหลอกด้วยนะถูกหลอกว่า มีความสามารถมากเ้าก็ว่ามีความสามารถสามารถสามารถดูแลทุกได้เยอะเช่นดูแลทุกทุกได้อย่างเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเขอาอกโอ้โหเก่งตัวตัวปัญหาทั้งนั้นใช่ไหมทุกคนเนี่ยมันเป็นตัวทุกทั้งนั้นเนี่ยเราเอาทุกมารวมกันทั้งหมดนั่นก็เป็นกองทุกมาหือมาเลยแล้วทุกทุกกองทุกเนี่ยมันมีตัณหาเป็นแดนเกิดมาทั้งนั้นต้องคิดดูนี่ว่มันเป็นที่รวมกองทุกเป็นที่รวมของโรคเป็นที่รวมของ สารพัดทุกข์แล้วพอมารวมเยอะๆแล้วให้เราไปจัดการโอ้โหไม่ไหวเลยเใช่ไหมตัวปัญหานี้จัดการเยอะก็ไม่เห็นมีใครจัดการอะไรได้ใช่ไหมก็จัดการอะไรไม่ได้เพราะว่าในที่สุดจริงๆก็ยังจัดการตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ยังจัดการทุกตัวเองไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทุกข์แล้วก็ตัวสมุทยัยสมุทัยนี่เขาประมวลมาให้ ส่วนนิโรธเนี่ยเป็นความดับทุกข์นะเขาเรียกทุกขานิโรธก็คือนิพพานนี่คืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์หมายความว่านิพพานนี่ที่หลุดพ้นจากสังเกตธรรมทั้งปวงหลุดพ้นจากสังขารทั้งหมดเป็นอริยสัจที่เป็นความดับทุกข์เพราะเป็นปัจจัยให้ดับทุกข์สิประการโดยสิ้นเชิงนั้นถ้าหากเข้าถึงพระนิพพานนี่นะไม่มีชาติคือการเกิดไม่มีชรลาคือความแก่ไม่มีมรณะคือความตาย ไม่มีความโศกความล่ําไยลําพันธ์ควา ม, ไ, วามไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจไม่มีเลยไม่มีอุบาทานขันห้าโดยย่อไม่มีไม่มีมมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นถ้าไปถึงนิพพานแล้วมันหมดเกลี้ยงหรืออย่างนี้ทุกหายเกลี้ยงที่บอกว่าโอ้โหปัญหาเยอะที่สุดนี่นะถ้าเข้าไปในพวัณจพานหมดหมดไม่มีแล้วันถ้าหากตรงไหนมีปัญหามากๆก็ขึ้นไปตะโกนบอกว่า เดี๋ยวว่าจับเข้านิพพานให้หมดเลยเนี่ยพูดได้แต่ทาไม่ได้ทุกข์ น, นิโรธคามินีปฏิปทาหมายถึงอริยะมากมียองแปดเป็นอริยสัจที่เป็นน้นทางแห่งความดับทุกข์มากมีย อ, องค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็คือความดํำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมาคำบรรดาการกระทําชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบ เป็นหนทางแห่งถึงความดับทุกข์ที่นําไปสู่พระนิพพานเป็นหนทางที่มุ่งไปสู่พระนิพพานโดยการรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ในขณะบรรลุมรรคผลฉะนั้นถ้าหากบรรลุครั้งแรกเนี่ยเขาก็มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าอริยสัจการเห็นอริยสัจเนี่ยเป็นมงคลเป็นมงคลแทงตลอดทุกข์โดยการกําหนดรู้สมุทัยโดยการละนิโรธโดยการทําให้แจ้งมรรคโดยการ เจริญเป็นการเห็นแจ้งการอะรียามาร์เกิดขึ้นนั่นเองอันนั้นเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นอย่างนี้นะมาคู่กับ น, นิพพานได้นะนิพพานสัจจิกริยาการกระทําพระนิพพานให้แจ้งการกระทําพระนิพพานให้แจ้งพราพูดถึงพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นมงคลข้อต่อไปเนี่นะ การกระทําพระนิพพานให้แจ้งก็คือพ้นจากคติทั้ง5นิรยาคติเปติกติเดรฉานคติมนุสสยกติและเดวกติตลอดจนเกพ้นจากกามตัญหาเครื่องร้อยลัดนี้หมายถึงการกระทําพระนิพพานให้แจ้งด้วยอารหัตมรักหนึ่งทีนี้นิพพานเนี่ยหมายถึงแดนที่ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยลัดดับสนิทไม่มีรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาสังคตธรรมทำไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสภาพที่ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นบรมสุขไม่มีสุขยิ่งอวกว่าพระนิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานังบรมังสุขังเนี่ยนิพพานเป็นบรมสุขนิพพานยังเป็นแดนที่เป็นบรมสุขเนี่ยนะนิพพานเนี่ยสองประการที่ท่านกล่าวว่าคือสอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแต่เบญญขันเหลืออันนี้กล่าวด้วยเนยยะแบบธรรมดานี่ยหมายถึงจิตปราศจากกิเลสโดยเด็ดขาด อันนี้พระอาหารหันต์ที่ท่านท่านดัดกิเลสได้แล้วแต่ยังมีมีชีวิตอยู่ส่วนอนุปาที่เสสานิพานเนี่ยอันนี้เบญจะขันก็ไม่เหลือกิเลสก็ไม่เหลือนี่หมายถึงพระอาหารหันต์ที่ปรินิพานไปแล้วทีนี้ว่าการบรรลุนิพานเนี่ยนีการทํานิพานให้แจ้งผู้ใดทํานิพานให้แจ้งผู้นั้ น, นถึงจะเป็นพระอาหารหันต์บรรลุนิพานอาศัยการพิจารณาคือการเจริญวิปัสสนาเป็นไ ป, นปนตามลําดับในที่สุดจริงๆก็เข้ากระแสของ พานิพานนี่เป็นอย่างนี้พ้นจากคติทั้งหลายพ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกินกายไปเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานแล้วก็พ้นจากการเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากเกิดเทวดาหรือพรหมอันนี้เขาเรียกว่าบรรลุพานิพานนั้นพอพูดถึงพานิพานเนี่ยเป็นอริยสัจข้อหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นทุกขณิโรธคือเป็นความดับทุกข์ถ้าหากว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยกิเลสทั้งหลายแต่พอไปถึงพรานิพานเนี่ยสเสด็จหมด อันนี้ก็อย่างเราท่านทั้งหลายก็ตั้งเจตนาก็ปรารถนากันก็ไว้ใช่ไหมปรารถนาบอกว่าเออขอให้เป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆเลยเนี่ยเหตุที่เราตั้งจิตตั้งเจตนาในการปรารถนาก็ไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าเราก็มีความปรารถนาว่านิพพานเนี่ยเป็นบรมสุขตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราก็มาพิจารณาดูว่าเออคนที่เขาแทงตลอดอริยสัจแล้วก็พ้นจากความดับทุกข์ได้ก็ถึงนิพพานได้ เก็พ้นจากความทุกข์อย่างนั้นได้จริงนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในคาถาที่9ก็คือวัตโปพรมจริยงการเห็นอริยสัจและการกระทําพระนิพพานให้แจ้งก็เป็นอันจุจกประการต่อไปก็ขึ้นมงคลข้อที่35ข้อที่35นี่ก็แปลว่าพุทธศาโลกธรรมเมหิจิตตังยสานกรรมปติซึ่งแปลว่าจิตของบุคคลใดไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลายที่ถูกต้องคือถ้ากระทบกระทั่งกับโลกธรรมแล้วก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะ และประการข้อที่สองก็คืออโศกกลางความไม่โศกวิราชังความไม่มีทุรีและเขมังกพ้นจากโยคะข้อแรกก่อนก็คือว่าพ้นจากโลกธรรมธรรมธรรมดาของโลกเขาเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยนะโลกนั้นเป็นไปตามธรรมของโลกนั้นนะ่ยไม่หยุดอยู่ตราบใดคือหมุนอยู่ตราบใดโลกธรรมก็เป็นไปตราบนั้นเขาบอกว่าโลกของเราเนี่ยนะมันหมุนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีธรรมที่คู่กับโลก ทำที่คู่กับโลกเขาบอกว่า ก, การได้ลาบแล้วก็การเสียลาบการได้ยศการเสื่อมยศแล้วก็นินทาและกับสารเสริญได้รับความสุขแล้วก็ความทุกข์เห็นไหมลาบยศสารเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกขโลกธรรมทั้ง8ปนี้ติดตามโลกคือสัตว์โลกทั้งหลายไปเป็นธรรมดาไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอริยะเออตรงนี้นะ่าศึกษาความจริงของโลกให้ดีนะีคือทุกชีวิตก็ต้องเจอแบบเนี้ เจอลาบยศสุขสรรเสริญแล้วก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทานแล้วก็ทุกเออมันมันก็เป็นไปตามกระแสของโลกเป็นไปลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเจอไหมเจอพระอริทั้งหลายเจอไหมเพียงแต่ว่าใครจะถูกโลกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องและเมื่อโลกธระทถูกต้องแล้วท่านผู้นั้นจะคิดต่อโลกธระทอย่างไรอันนี้สําคัญนะที่จะไม่ถูกโลกธรรมถูกต้องเป็นไม่มี โลกธรรมเป็นส่วนที่น่าปรารถนาก็เช่นลาบยศสารเสริญสุขส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็คือเสียลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศเนี่ยนะถูกนินทาแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากทีนี้ถ้าหากว่าเราถูกโลกธรรมถูกต้องแล้วเนี่ยเออจิตของเราเป็นยังไงหวั่นไหว่ะถ้าปุถุชนหวั่นไหวใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะทําให้จิตเราไม่หวั่นไหวเราจะทํำยังไงท่านก็บอกว่าเออต้องหมั่นพิจารณานะบ่อยๆ พิจารณาให้เห็นถึงความมิ่เที่ยงของโลกธรรมเหล่าเนี้ยความหมุนเวียนของโลกธรรมเหล่าเนี้ยเช่นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่ลืมอดีตกันหน่อยใช่ไหมเราได้เราเสียมาเนี่ยโอ้โหสารพัดเลยอะ่ะทั้งมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดนินทาสารเสริญสุขและทุกข์มันถูกต้องเรามาตลอดใช่ไหมในชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยเพียงแต่ว่าเราจะเอามาคิดหรือไม่ไอ้ที่เราไม่คิดไม่ใช่ว่าเราทําใจได้เราไม่ใช่ว่าเราเข้าใจคําสอนเนี แต่เพียงเราพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาชดเชยตัวเองแต่ในคําสอนก็บอกว่าจิตต้องไม่หวั่นไหวจิตของผู้ถูกโลกธรรมกระ ท, ทบกระทั่งแล้วไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นอุบายให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยย่อมไม่หวั่นไหวสุขและทุกข์เหมือนศีลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไม่เอ็เอียงไปตามลมจากทิศ ต, ต่างๆ ทีนี้หลักธรรมเนี่ยนะที่ควรส่งเสริมมงคลข้อนี้ก็คือว่าการเจริญสติรู้จักประมาณในโภชนะก็จะสามารถได้เวทนาที่เบาบาง mm. เขาบอกว่าถ้าเป็นคนมีสตินะฉันอาหารพอประมาณ เ, เวลากินอาหารเนี่ยกินอาหารที่พอประมาณจะเป็นเหตุให้เวทนาเบาบางและจะแก่ช้าและอายุยาวเออน่าคิดกันนะ mm. เนี่ยเาบอกาอาหารเนี่ย กินมากเป็นโทษแต่ถ้ากินกินน้อยๆเนี่ยมีคนหนึ่งนี่โทษของการ <c oughs> ของการนอนลืมสตินีหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายแล้วก็เทวดาไม่รักษาเป็นต้นเหล่านี้ประการต่อมาก็คือว่าการเจริญสมาสติการเจริญสมาธิเนี่ยนั่นก็กล่าวเขาไว้บอกว่าเปรียบสเสมือนรอยนิ้วมือรอยนิ้วหัวแม่มื อ, มอที่ด้ามมีด ย่อมปรากฏแก่นายช่างไม้แต่เขาไม่รู้บอกว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่าไหร่เมื่อวานสึกไปเท่าไหร่เมื่อวานซืนสึกไปเท่านี้เมื่อด้ามมีสึกเขาก็รู้ว่าสึกไปเท่านั้นฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่รู้บอกว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้ หือเมื่อวานเืรญสิ้นไปตรงนี้แต่ที่จริงแล้วอาสวัสดิสิ้นไปภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไปนั่นเดียวก็ อ, อ, อย่างนี้มีดเนี่ยไอ้ด้ามมีดนี่นะเวลาเราเอามือจับแล้วเราฟันไม้เราไม่รู้เลยนะว่าไอ้ด้ามมีดเนี่ ย, ม, ม, ย, ม, ม, ย, ม, ม, ยมันสึกไปเรื่อยๆด้ามมีดเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่ามันขนาดไหนที่ด้ามมีดมันสึกลงไปเรื่อยใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่มันรู้อีกทีเนี่ยโอ้มันสึกไปจริงๆฉะนั้นถ้าเราจเจริญภาวนา ทั้งสมถาภาวานา ว, วิปั ส, สนาภาวานาเนี่ยนะหรือว่าเราจเจริญกุศลเกี่ยวกันในเรื่องของการที่ฝึกจิตไม่ให้โลกกระ ท, กระทบกระทั่งเนี่ยทาจิตไม่ให้วันไหวเนี่ยเราก็ไม่รู้นะจิตของเราเข้มแข็งแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆเนี่ยโดยการที่ฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆในที่สุดจริงๆเนี่ยจิตก็จะเข้มแข็งแล้วเราก็จะรู้ตัวว่าเออเข้มแข็งหรื อ, อวันก่อนก็ก็ฟัง ฟังเขาบอกเขากลุ่มคนเขาไปปฏิบัติกันเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยู่กับความฟุ้งซ่านอยู่กับความลำคาอยู่กับอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เคยสังเกตไม่เคยดูแลตัวเองเลยต่อมาเขาไปปฏิบัติเขาบ่กงั้นพอไปปฏิบัติเนี่ยให้พอให้หันมาดูตัวเองขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกเขาประทับเขามีความสุขแค่เขาก้มลงกราบพระเนี่ยก็ว่างั้นนะ แค่กราบภาพแบบมีสติเนี่ยพอหน้าผาเขาจะรดถึงพื้นปุ๊บเนี่ยแค่นี้โอ้โหสติเขามาทันทีเลยเขารู้เลยว่าว่าควรจะทำยังไงให้เราฟังอยู่เห็นไหมแค่แค่ตรงนี้คือชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยได้รับความสุขเลยนะโดยเฉพาะพวกนักแสดงทั้งหลายเพราะชีวิตของเขาเนี่ยเป็นไปกับความหลอกลวงอยู่ตลอดหลอกตัวเองตลอดเขาไม่ไม่เคยสังเกตดูตัวเอง แข่งแค่วันใดวันหนึ่งเขามาดูตัวเองนิดเดียวไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะเขาบอกโอ้โหเขาเขามีความสูงมากแท้ที่จริงเวลาสติมันเกิดเนี่ยนงอย่างเราลองสังเกียตดูดิว่าเรากราบพระแบบธรรมดาก็กราบถ้าเร า, ก, ารกราบแบบมีสติต้องตั้ง ใ, ใจกราบแล้วก็ในขณะที่กราบก็ระลึกใช่ไหมสติก็ระลึกในจิตที่คิดจะกราบแล้วก็คิดถึงวายโยท่าที่พัดพันไปนี่เราคิดให้ละเอียดเลยนะ แล้วเขเป็นเหตุในกัลยาชะกายศาีรษะก็น้อมลงน้อมลงแตะถึงพื้นแล้วก็ขึ้นเนี่ยเราเห็นศีรษะที่น้อมลงถึงพื้นแล้วก็ยกขึ้นมานี่ใจเราก็เป็นไปกับในขนาดนั้นมันก็เห็นแล้วโอ้เนี่ยการมีสติการฝึกการอบรมสติในการระลึกเพียงแค่สติกลับมาระลึกทันในขนาดนั้นแค่นั้นก็นยังนับว่าเป็นบุญนะอย่างดีแล้ว อันนี้ยังไม่รู้ว่าวายโยธาพัดผันเป็นเหตุให้กรรัชกายโน้มลงเนยะและยังไม่รู้ว่าจิตที่เป็นปัจจัยแก่วายโยธาพัดผันนะั้นเป็นกุศลนะและยังไม่ได้รู้ว่ากุศลนี้ให้ผลเป็นความสุขนะและยังไม่ได้ตึกถึงพุทธคุณอีกมากมายนะถ้าเขาคิดตรงนี้เป็นน่ยถามบอกว่าเขาจะน้ำตาไหลปีติเกิดได้ซั่มไมใช่ไหมอันนี้เพราะว่าเขาเข า, เขาไม่รู้เขา แต่ก่อนไปกราบพระเขากราบงั้นใช่ไหมกราบแม่แม่มกราบเขาเขาาไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคําสอนของพุทธเจ้านั้นเนี่ยสามารถเป็นไปกับการปฏิบัติได้ทุกขณะนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือการเจริญภาวนาก็อย่างนั้นนี้ประการต่อไปก็คือว่าจิตไม่เศร้าโศกเมื่อกี้บอกว่าจิตไม่หวั่นไหวใช่ไหมอโศกลางจิตไม่โศก จิตของบุคคลใดไม่มีความโศกได้แก่จิตของพระอรหันต์ถ้าหากว่าไม่โศกจริงๆเนี่ยคนที่จะพ้นจากความโศกได้ก็คือพระอรหันต์นั่นแหละโดยสภาวะละแล้วเนี่ยคนที่จะละความโศกได้จริงๆคือพระนาคาแต่ว่าการละโทสะอันเป็นรากเหง้าของความโศกด้วยนาคามีมากเป็นสมุทเฉทาปัญหาแต่ในมงคลข้อนี้ท่านบอกว่าได้แก่จิตของพระอรหันต์เท่านั้นจิตไม่โศก หมายถึงจิตที่บรรลุพระนิพพานจิตไม่โศกคือจิตอย่างไรจิตเศร้าโศกคือจิตที่เหี่ยวแห้งไม่ไม่ชื่นบานอับเฉาเนี่ยนะนั่นเขาเรียกว่าจิตที่เศร้าโศกอะไรทําให้จิตเศร้าโศกจิตที่โศกเนี่ยเกิดจากโทสะเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าปิยะโตชายเตโสโกความโศกเกิดจากความรักก็บอกว่าความรักเนี่ยเพราะความรักไม่เป็นเหตุให้เกิดความโศก ถ้าไม่มีความรักแบบตันหานะความโศกไม่ตามมาแล้วก็มาสังเกตว่าถ้าเรารักแบบตันหาเนี่ความโศกก็ <LEGO. S 1> <skill ful. S 2> จะตามมาถ้าความรักมีน้อยก็โศกน้อยรักมีมากก็โศกมากนั้นความรักเป็นสาเหตุให้เกิดความโศกคนที่มีความรักเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเออถ้ารักแบบเมตานี่ไม่โศกนะถ้ารักแบบตันหาราคาเนี่โศกแบบหนุ่มสาวรักกันเนี่ยอันเนี้ยโศก เขาบอกว่าจิตที่บรรลุพระนิพพานนั้นจึงเรียกว่าจิตไม่โศกจิตกลางพระเรียบุคคลหมายเฉพาะจิตกลางพาระทหารเน่ยนะหลุดพ้นจากสิ่งที่น้าสิ่งที่น่าไข่หน้าปรารถนาน่าพอใจเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเปเปตโตวิมุตตัสาณติโลกโกกุโตพยังเมื่อไม่มีความรักแล้วความโศกก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีนั้นจิตที่บรรลุพระนิพพานจึงไม่โศกเพราะไม่มีความรัก ฉะนั้นถ้าเราศึกษาคําสอนก็คือจิตที่บรรลุพระนิพพานนั่นเองจิตที่บรรลุพระนิพพานก็เป็นจิตที่ไม่ไม่โศกนี่เขาเรียกอโศกังอโศกังมาแปลว่าไม่โศกลักษณะของความโศกเนี่ยนะก็ถ้าเราดูถ้าเราดูในในคาสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพของจิตที่เป็นไปกับความโศกนั้นเป็นสภาพที่ที่ต้องแก้ไขประการต่อมาก็คือว่า วีระชังวิราชังเนี่ยจิต ท, ที่ปราศจากกิเลสกิเลสในที่นี้เป็นชื่อของคําว่าทุลีคําว่าทุลีนี่เป็นชื่อของกิเลสนะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสัตว์บางพวกมีทุลีมีทุลีมากบางพวกมีทุลีน้อยคําว่าทุลีมากทุลีน้อยทุลีมากก็คือกิเลสมากทุลีน้อยก็คือกิเลสน้อยที่บอกว่าเขมังความเกษมจากโยคะท่านก็หมายถึงจิตพระอรหันต์ว่าเป็นจิต ท, ที่ปราศจากทุลีโดยสิ้นเชิง เป็นจิตที่เข้าถึงความเกษมคือพ้นจากกามโยคะทิฏฐิโยคะเพราะว่าโยคะและอวิชายโยคะจิต ท, ที่ไม่โศกจิต ท, ที่ปราศจากทุลีจิตเกษมทั้งสามประการเนี่ยชื่อว่ามงคลเพราะนำมาซึ่งความเป็นอวุเนยบุคคลนำมาซึ่งการข้ามพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ า, ญญาพ้นจากโลกเลยพรามผู้นี้เนเออมีขัยกนิทานประกอบบอกว่ามีเรื่องของพราม บอกมีพรามอยู่คนหนึ่งบอกว่าไปที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำอาจิลาวดีเมื่อเข้าไปเนี่ยนะเมื่ออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยต่อมาเ้าก็ทำนาเนี่ยต่อมาข้าวก็เริ่มสุกพอข้าวเริ่มสุกจวนจะเกี่ยวได้แล้วพรามก็เลยนัดพวกทาสกรรมกรเพื่อจะได้เกี่ยวข้าวในวันรุ่งขึ้นนี่ในคืนนั้นฝนะนก็ตกใหญ่เลยนะฝนตกนี่ข้าวเสียเนี่ย น้ำไหลบายพัดเอารวงข้าวไปหมดพอฝนหยุดแล้วเนี่ยพราหมณ์ไปออกไปดูเห็นข้าวเสียหายหมดร้องไห้ก็ไปนั่งเสียใจร้องไห้เศร้าโศกไม่เป็นนั่กินนั่นอนพระบรมศาสดาก็เห็นอุปนิสัยของต่พราหมณ์เนี่ยนยีก็เสด็จไปที่บ้านของพราหมณ์พระพุทธเจ้าจะทําให้พราหมณ์เนี่ยคลายจากความโศกก็เลยบอกบอกว่าเมื่อพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพราหมณ์ก็ทูลเชิญ ให้เสด็จขึ้นเรือนแล้วก็ทำความเคารพพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพรามณ์สังขารทั้งหลายทั้งภายในภายนอก ท, ทั้งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณสังขารทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเมตเพียงมีความแปรเปลีนเป็นธรรมดาตัวของเรายังไม่อาจบังคับให้เป็นไปนตามใจชอบได้ทั้งที่เรามีจิตวิญญาณแล้วเราจะไปหวังในสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณได้อย่างไรเป็นไปนตามใจของเราได้อย่างไรสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของใคร พระเจ้าโอ้ยตัด่างนี้นึเถ้าถ้าเราไปเจอภัยวิบัติแล้วพระเจ้าตัดอย่างนี้เราจะคิดคิดได้อย่างพรามโดยมากคิดไม่ไดไม่เจอกัะท่านไม่รู้หรอกเลยโดยมากก็จะย้อนอย่ <c oughs> เห็นไมคนมีปัญญาเนี่ยพราะพรเจ้าตรัสว่าดูก่อนพรามสังขารทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสังขารภายในคือสังขารตนเองสังขารภายนอกก็คือทั้งของคนอื่น ท, ทั้งทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณมีวิ ญ, ญญาณก็คือพวกจัดทุกประเภทแล้ว ถ้าไม่มีวิญญาณก็แปลว่าเลือกส่ว น, นไล่นาเป็นต้นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงพระเจ้าบอกล้วนไม่เที่ยงมีความแปลปลวนไปเป็นธรรมดาตัวของเราก็ไม่อาจจะบังคับให้เป็นไปตามใจชอบไดเ้เราบังคับตัวเราก่อนที่เราจะไปบังคับสังขารข้างนอกอะ่ะเช่นจะไปบังคับข้าวเห็นไหมลมพัดมาก็อย่าร่วงเน่ยลองบังคับสังขารของตนเองก่อนดีก็ไม่ได้ ทั้งที่เรามีจิตวิญญาณเนี่ยนะแล้วเราจะไปหวังในสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณรับรู้อะไรไม่ได้เป็นไปตามใจของเราได้อย่างไรสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่ในอํานาจของใครเลยพูดแค่นี้สิ้นเรื่องเลยหายสอกเลยอย่ามาบอกเลยสิ่งทั้งหลายไม่ได้อยู่ในอํานาจของใครมันทุกอย่างเนี่ยมันมีมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเบ็ดเสร็จมันเหมือนว่าเอ้ยไม่ใช่อย่ามาบ้านเราเนี่ย มันก็เที่ยงเนี่ยเราก็ดูแลอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเออมันก็อยู่กับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยและจริงจริงมันไม่เที่ยงนะเราสร้างเหิเราพยายามประคับประคองอยู่ตลอดเวลานะทั้งเช็ดทั้งถูทั้งดูแลทั้งอะไรเนี่ยถ้าปล่อยปละละเลยไปตั้งนานแล้วใช่ไหมย๊ะผุพังไปนานแล้วป่านนี้ปวดมีเล่นไปนานแล้วลึกใช่ไหมย๊ะสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าเราจะประคับประคองดูแล ใช้ให้ได้นานเท่าไรแต่ในที่สุดจริงๆเอาไว้ไม่อยู่ให้ลูกน ไ, ไม่มีอยู่หรอกให้สังเกต ด, ดูพี่ไปถากหญ้าเ อ, เอาถากวันลง ข, น ข, นขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกนะกิเลสยิ่ง ก, กว่านั้นพราหมณ์ได้ฟังแล้วก็คลายโศกน้อมใจสู่ไตรลักษณ์พิจารณาเห็นอันนี้อย่งทุกขอังอนะจตาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะคนที่เลื่อมใสเนี่ยราภที่เลื่อมโคอไปคนที่เสื่อมจากราภที่ยังเป็นบุุรชนย่อมเศร้าโศกอย่างเนี้ย แต่ได้ฟังว่าธรรมเทศนาความโศกในขณะนั้นก็หายกลายเป็นพระโสดาบันอันนี้คือคุณของความโศกเอความโศกเป็นอุปการะคุณได้บรรลุไหมโอ้ถ้าหากว่าเสียหายแค่นั้นแล้วแรกกับพระโสดาบันเเอาเอาไหมถ้าไฟไม้บ้านหมดแล้วจะเป็นพระโสดาบันเก่ากลายเป็นยากจนเอาไม่เอาเอาทำไมจะไม่เอาใช่ไหมเราไม่ตกตามแล้วมงคนต้องคิดนะนี้เอาหรือไม่เอาไปบอกเรา